ธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตค่อยสุขสบายขึ้นเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตเป็นน้ำที่คอยชลมให้เยือกเย็นและช่วยล้างให้จิตใจสะอาดหมดจดด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาชีวิตผูกพันไว้กับธรรมะ อาจารย์วสินอินทัศรชีวิตที่ผูกพันกับธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขมีสุทธภาสิตกล่าวไว้ว่าผู้ใดประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขคือความผูกพันกับธรรมะ เพราะว่าธรรมะเนี่ยมีประโยชน์มากมายสําหรับชีวิตเราโดยเฉพาะเพื่อความพ้นทุกขเพื่อความมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็พ้นทุก์เกืือกูลก็ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกนาเรวมต้องมาดําเนินชีวิตที่มีธรรมะผูกพันเป็นหนึ่งเดียวชีวิตกับธรรมะเนี่ยแยกกันไม่ออกเป็นสิ่งเดียวกันอย่างเรา มีชีวิตจนถึงวันนี้ได้เนี่ยได้มาฟังธรรมะได้ไปเห็นหน้าเห็นตากาันได้พูดคุยกันเนี่ยยังคิดยังนึกได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญนะวันนี้เราอยู่ได้ด้วยบุญยังมีบุญอยู่เนี่ยธรรมะช่วยหล่อเลี้ยงเอาไว้ส่วนผู้ที่ล้มหายตายจากไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าหมดบุญไปแล้วอย่างเหลือเราเนี่ยยังมีบุญอยู่บุญยังหล่อเลี้ยงอยู่เราควรจะ สร้างบุญต่อไปสารบุญต่อไปบุญนี่มีมากมายมีหลายอย่างให้เราเลือกทำเอาการให้ทานการรักษาศีลนี่ก็เป็นบุญการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบุญทั้งนั้นเราจึงต้องอาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นบุญให้ชีวิตเราเนี่ยยืนยาวต่อไปธรร ม, มะเนี่ยถือว่าเป็นหลักประกันนะ เป็นหลักประกันชีวิตได้ดีเยี่ยมเลยประกันชีวิตเราไม่ให้เป็นทุกข์ประกันชีวิตเราให้มีความสุขตายไปก็ไม่ตกนรกปิดประตูบายเลยธรรมะเนี่ยสามารถประกันได้เนี่ยเราพิจารณาดูว่าไม่มีบริษัทประกันที่ไหนหรอกที่สามารถประกันชีวิตเราให้มีความสุขไม่ให้มีความทุกข์ไม่ให้ตกอบายภูมิเมื่อเราล่วงรับไปแล้ว ไม่มีบริษัทประกันชีวิตที่ไหนจะทำอย่างนี้ได้บริษัทประกันชีวิตก็เพียงแต่แค่ให้สิ่งตอบแทนบ้างเพื่อความสะดวกเราต้องส่งเบีย้ยประกันตามกำหนดเวลามีเงินขายมากมายเวลาเราเจ็บไข้เดร์ ป, ป่วยก็มีเงินจานวนหนึ่งมาช่วยเหลือเราเวลาเราล้มหายตายจากไปแล้วก็มีเงินจานวนหนึ่งมาช่วยเหลือเรา เราเองก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าประกันไม่ได้ว่าเราจะตกนรกหรือไม่หรือชีวิตนี้จะมีความสุขหรือไม่ความทุกข์ในใจจะดับลงหรือเปล่าเ น, นี่ยอันเนี้ยบริษัทประกันเนี่ยรับประกันไม่ได้อาจจะมีชื่อที่สวยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าทำประกันแล้วจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนั้นก็ไม่แน่นอนนะบางทีเราเกิดปัญหาแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้เบี้ยรประกันที่เราส่งไปแล้วคือหรือเปล่า ยังไม่แน่นอนนะบางทียังไม่ค่อยมั่นใจบางทีเกิดปัญหาแล้วบางทียังช้ายังไม่ได้รับบริการเท่าที่ควรยังกังวลอยู่แต่ว่าถ้าเรามาทำประกันชีวิตกับธรรมะเนี่ยอันนี้มั่นใจได้อันที่ว่ามั่นใจได้เพราะว่าไม่ต้องส่งเบีย้ยประกันแล้วผลก็คือเราจะมีความสุขทุกข์นี่จะลดน้อยลงบางทีหมดทุกข์ไปเลย เมื่อล่มหายตายจากไปแล้วรับประกันได้เลยว่าไม่ตกอบายภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัติเลชานอันนี้คืออบายภูมิธรรมะเนี่ยรับประกันได้ชีวิตเราเนี่ยถ้ายังไม่มีหลักประกันนะจะประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยที่ไหนก็ทําไปเถอะไม่เป็นไรหรอกการดีแล้วเพื่อความสะดกสบายแต่อย่าลืมทําประกันชีวิตกับพุทถบริษัท มั่นใจได้เอาธรรมะนี่แหละมาเป็นหลักประกันชีวิตไม่ต้องส่งเบีย้ยประกันเพียงแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขห้าข้อห้าประการห้าประการนั้นก็มีว่าหนึ่งเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาว่าท่านเนี่ยสามารถดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิง แล้วก็ตัสรู้ด้วยด้วยพระองค์เองเชื่อมั่นในพระเจ้าโดยไม่งอนแงนคอนแกลนเราเชื่อมั่นข้อนี้ไหมสอศรัทธานในพระธรรมพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พระธองค์ได้สั่งสอนทนตัดไว้ดีแล้วให้เราได้นำเอาไปปฏิบัติตามเชื่อมั่นในพระธรรมแบบไม่งอนแงนคอนแคลนไม่ต้องสงสัยเหมือนกัน ข้อที่สคือมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วที่พระองค์ได้ตัดสรู้มาเกับยวกัสรู้พระธรรมเรามีความเชื่อมั่นในพระสงฆ์โดยที่ไม่ง่อนเงี้ยงก้อนแกลบอันเนี้ยพระพุทธประธรรมพระสงฆ์สข้อละข้อที่ส ให้เรามีศีลห้าเป็นประจำเป็นนิทมีศีลห้าเป็นชีวิตจิตใจคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนทำลายผู้อื่นงดเว้นจากการลักกโมยถือเอาสิ่งของที่คนอื่นไม่ให้มาเป็นของเราโดยไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตงดเว้นการประพฤติผิดในการม สี่มดเว้นการพูดโกหกมดเท็5ห้ามดเว้นการดื่มสุราสิ่งเสพติดมึนเมาที่มีแอลกอฮอล์ห้าข้อเนี่ยสีห้าเนี่ยให้มีประจำจิตประจำใจเอาไว้เพื่อรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ทำได้ไหมสีข้อเลยนะข้อที่ห้าอันนี้สำคัญมากเป็นข้อพิเศษก็ว่าได้ คือการดําเนินชีวิตด้วยการเจริญสติอยู่หนึ่งเดียวรู้สึกตัวอยู่เสมอๆในการใช้ชีวิตเราจะฝึกในรูปแบบก็ได้ตื่นนอนตอนเช้าสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เจริญสติในรูปแบบไปพอสมควรเก็วเวลาแล้วก็ไปใช้ชีวิตประจําวันต่อเนื่องไปได้วยความรู้สึกตัวหรือก่อนจะนอนเนี่ยทำในรูปแบบซะหน่อย จเจริญสติในรูปแบบหลังจากที่ไหวพาสวดมนต์แล้วก็จเจริญสติในรูปแบบรูปแบบของเราในมีอะไรอาจจะรู่มลมหายใจอาจจะเดินจงกรมหรืออาจจะยกมือสร้างจังหวะสิปีจังหวะเคลื่อนไหวหกายและมีสติตามรู้อันนี้เป็นรูปแบบที่เราสามารถจะเลือกเอามาใช้ได้ตามจิตของแต่ละบุคคลคือให้ฝึกให้มีความรู้สึกตัว ในรูปแบบที่ครูบาอาจารย์ได้สอนเอาไว้ทำดูแล้วก็นอกรูปแบบก็คือการใช้ชีวิตในแต่ละวั น, นให้มีความรู้สึกตัวอยู่เหนี่งเนงกายเคลื่อนไหวจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินก็ให้รู้สึกตัวการจะจับจะฉวยดื่มน้ำทานข้าวประกอบภารกิจการงานต่างๆ ให้มีสติตามรู้ไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปใจเวลามันคิดมันนึกมันปรุงแต่งเป็นความสุขบ้างทุกบ้างเราก็มีสติ ร, รู้ตัวทั่วพลอมนะมันโกรธก็รู้ว่าโกรธมันรักก็รู้สึกตัวว่ารักมันคิดมันนึกปรุงแต่งอะไรก็ตามให้มีสติรู้เท่าทันให้รู้ต่อเนื่องกันเนืองๆมันจะเผลอ อะไรก็ไม่เป็นไรหรอกเรากลับมาตั้งต้นรู้ใหม่ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทําได้เมื่อเราเจริญสติไปนานๆตัวรู้มันจะเกิดขึ้นนะตัวรู้นี่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นต้นหรอกคือตัวรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมันเด่นเนี่ยตรงนี้แหละมันเป็นผลแล้วเห็นไหมเป็นผลที่เราไม่ต้องไปรอว่าเราจะได้ผลไหมเราทําแล้วจะได้ผลอะไรไม่ต้องรอ ทุครั้งที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเกิดความรู้นั้รู้ตัวขึ้นมาตัวรู้เกิดขึ้นทันทีนั่นนี่เป็นผลเมื่อมีตัวรู้เด่นชัดตัวรู้ก็จะทําหน้าที่ละจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้รูปรู้นามเนี่ยรู้ทันกายที่มันเคลื่อนไหวเนีอ้นี่เป็นรูปเป็นนามนะติดผู้รู้นี่ก็เป็นนามกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นรูปเริ่มแล้ว พอตัวรู้เด่นเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นรูปเห็นตามเริ่มรู้จักตัวเราเห็นแม้กระทั่งจิตที่มันคิดโอ้จิตที่มันคิดอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นโอ้นี่ความอยากเนี่ยมันเป็นเปรตนะมันเป็นความโลภแหละเป็นเปรตแห ล, ละนะบางทีก็เกิดความกลัวกลัวจริ้งจกกลัวทุ๊กแกกลัวอนาคต ก ล, งงกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นอสุรกายแนละ้วโอ้เป็นความกลัวเป็นอสุรกายแนละเป็นสักแต่ว่าเมื่อมีตัวรู้ก็คือ้นเโอ้นี่สักแต่ว่าคิดนะคิดอยากได้กลัวโอ้สักแต่ว่าบางทีมันเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทอึดอัดขัดเคืองแค้นเกิดความโกรธเกิดโทสะขึ้นในจิตในใจในปัจจุบันเนี่ยโอ้เราเห็นทันเลยวันนี้มันเป็นนรก ความโกรธเนี่ยเป็นสัตว์นรกเป็นนรกในปัจจุบันที่เราเห็นได้ด้วยความรู้สึกตัวเราจะเอาไว้ไหมเรารู้ทันแล้วเราก็ออกแล้วนะเราหลุดออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วแต่การรู้นี่จะต้องรู้แบบไม่เข้าไปอยู่นะ ร, รู้แบบดูดูนะไม่เอาอ๋อสักแต่ว่าโกรธเนาะอย่าเข้าไปเป็นกับมันเห็นมันโกรธไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธบางทีมันหลงลืมสติงอหลงงมงาย ไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้่อะไรไม่ใช่ประโยชน์ทําในสิ่งที่ไร้สาระผิดศีลติดธรรมอยู่เสมอเสมอชอบข่าชอบรักกมโมยชอบแอบเป็นชู้กับคนอื่นเขามีกิก๊กมีกักอะไรเงี้ยนะเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องของความโง่หลงงมงายทั้งนั้นชอบพูดโกหกชอบดื่มสุราเป็นประจําเ น, นี่ยคือภาวะของสัตว์นรกแล้วเปรตอสุรากาย หรือสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องรู้ลาวอะไรอันนี้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยความโง่หลงงมงายการดื่มสุราการกินยาเสพติดยาบ้ายามาอะไรเงี้ยมันทำให้จิตใจเราเนี่ยโง่หลงงมงายขาดสติอันนี้ถ้าตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานละเมื่อเรามีสติมีตัวรู้รู้เท่าทันในอาการเหล่านี้การของความโกรธ ความโลภความกลัวความหลงเนี่ยเป็นอบายภูมิทั้ง4ี่ถ้ารู้เท่าทันนะสักแต่ว่าแล้วไม่เข้าไปเป็นกระสีของนั้นนะเราก็ไม่ตกอบายภูมิทั้ง4ในโลกปัจจุบันต่อหน้าต่อ ต, อตาเนี่ยนะเห็นไม่มถ้าเราไม่ตกอบายภูมิในโลกนี้นะเราตายไปเนี่ยก็รับประกันได้เลยว่าเราก็จะไม่ตกหลกไม่ลงอบายภูมิเช่นเดียวกันชีวิตเราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยตายไปก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราอยู่อย่างมีความสุขเราตายไปก็มีความสุขถ้าชีวิตเราเนี่ยอยู่แต่มีแต่ทุกข์ร้อนอยู่ร้อนนอนทุกตายไปก็ตกอายภูมิอยู่ร้อนนอนทุกเช่นเดียวกันอันนี้สำคัญนะถ้าปัจจุบันเนี่ยยังตกตะลกอยู่ตายไปก็ตกตะลกอยู่อย่างไรก็ไปอย่างไรแต่ถ้าเรามีการเจริญสติอยู่ในชีวิตนนเนึงๆเน่เป็นการป้องกันอายภูมิเลยเราป้องกันไว้ก่อน เตรียมตัวเตรียมจิตเตรียม ใ, ใจพร้อมกันไปก่อนจะเริ่มสติให้มากๆให้ตัวรู้นี่มันเด่นเห็นตัวเราเป็นรูปเป็นนามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ใ, ในรูปในานามพอ เ, เห็นแล้วจิตมันก็หลุดพ้นออกมาจากอารมณ์เห น, นั้นเพิ่มจะมีแต่ความสะอาดความสว่างความสงบเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขทุกข์ก็จะค่อยๆจางคลายไปก็หมดทุกข์ในที่สุด เป็นการทำประกันชีวิตไว้กับธรรมะเนี่ยมันปลอดภัยมันได้รับผลทันทีเลยทันตายเห็นในปัจจุบันไม่ต้องสงสัยว่าเอะเราตายไปเราจะได้ไมนเนาะไม่ต้องสงสัยเรื่องผลเลยทําปุ๊บได้ปั๊บเป็นอาการลิโกลเลยอันเนี้ยมีประโยชน์มากเนี่ยเงื่อนไขของพุทธบริษัทบริษัทประกันชาวพุทธเราเนี่ยคือธรรมะ อยู่ภายใต้เงื่อนไขห้าข้อ 1. มีศรัทธาในพระพุทธ 2. มีศรัทธาในพระธรรม 3. มีศรัทธาในพระสงฆ์อย่างไม่งอนแง่นคอนแคนไม่ต้องเลยสงสยัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไห ม, ม, ไ, หมไม่ต้องสงสัยเลยมีจริงศรัทธาไนดะ้ยังกราบไหว้ได้กระทั่งทุกวันนี้ข้อที่สก็คือมีศีลห้าเป็นนิจ ข้อที่หคือดําเนินชีวิตด้วยการเจริญสติรู้สึกตัวอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยห้าข้อท่านนะ่ะรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขตายไปก็ไม่ตกโลกไม่ตกกรบียภูมินะเนี่ยพุทธบริตัทเนี่ยสามารถประกันชีวิต ต, ตรงนี้ได้แน่นอนชีวิตเราต้องมีหลักประกันนะ เ, นเราประกันชีวิตภายนอก กับบริษัทไหนก็ตามประกันไปเถอะไม่เป็นไรแต่อลืมประกันชีวิตในจิตใจล้วด้วยเอาธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องประกันชีวิตประกันจิตประกันใจเราไม่ต้องเป็นทุกทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าผมนี่ทาหน้าที่นำเสนอนะเป็นฝ่ายนำเส น, นอเอาธรรมะมานำเสนอแต่ไม่ได้ขายเพียงแต่เพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนาเอาไปพิจารณา